การปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นการทำความดีหรือว่าการพิจารณาความจริงของกายและใจมันทำได้ทุกที่นะอยู่ตรงนี้ก็ทำได้ในทานองเดียวกันการบรรลุธรรมนี่ก็เกิดขึ้นได้ทุกแห่งไม่ใช่เฉพาะเวลา อยู่ในวัดมีพระอาหารหันต์บางท่านนี่บรรลุธรรมขณะที่ในครัวก็มีนะพวกแม่ชีพแม่ครัวที่อยู่ในครัวนี่ก็ฟังไว้ก็ดนะีเรื่องราวของพระอารหันต์ท่านนี้น่าสนใจนะท่านเป็นเด็กพระเถรีนะเถรีก็คือว่าพิสุนีเนี่ย ก่อนที่จะมาบวชนี่ก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมะเป็นเศรษฐี <c oughs> ก็อยู่ดีมีสุข ม, มาตลอดนะแต่ว่าพออยุมากเข้าเนี่ยลูกก็ทวงถามทวงถามแม่แม่ไม่ชีโสนา แม่มีลูก14คนนะ mm hmm. ก็เลี้ยงลูกมาให้มีความสุขโดยตลอด mm hmm. แต่ว่าพอแม่แก่ตัวลูกก็ถามว่าเมื่อไหร่แม่จะแบ่งสมบัติให้ลูก mm hmm. นะจะเก็บเงินเอาไว้กับตัวจนตายยังไงนะไม่ต้องกลัวหรอกนะแบ่งให้ลูกแล้วเดี๋ยวลูกก็เลี้ยแม่เอง แม่ไม่ต้องเลี้ยงตัวเองนะ้วลูกจะเลี้ยงแม่ให้แม่ก็เลยแต่งสมบัติให้ลูกสิบสี่คนเท่าๆกันเลยนะมาแบ่งสมบัติเสร็จแล้วครานี้ก็ก็ต้องพึ่งลูกละก็ไปอยู่กับลูกชายคนโตลูกชายคนโตก็เลี้ยงดูแม่ดีนะแต่ว่าลูกสะใภ้ไม่พอใจก็คอยอยุสามีนะว่า ทำไมแม่ก็มาอยู่กับเราด้วยนะแม่ก็แบ่งสมบัติให้ทุกคนเท่ากันเราก็ไม่ได้มากกว่าคนอื่นเลยนะแต่ทําไมต้องให้เรารับภาระคนเดียวนะทำไมแม่ไปแม่ไปอยู่กับลูกคนอื่นบ้างลูกชายคนโตนี่ก็กลัวเมียนะเจอยุเจอแย่เรื่อยๆบ่อยก็เลยไม่อยากให้แม่อยู่แม่ก็เลยไปอยู่กับลูกคนที่2ก็เจอแบบเหตุการณ์แบบเดียวกันนะ เขาก็บอกว่าทำไมต้องให้เขารับภาระคนเดียวในเมื่อลูกคนหนึ่งก็ได้ส่วนแบ่งเท่าๆกันต่ลงแม่ก็ต้องย้ายไปอยู่ลูกคนที่สามก็มีปัญหาเหมือนเดินเมื่อทั้งไปอยู่กับลูกคนที่สิบสี่นะก็มีปัญหาเหมือนกันแม่ก็เลยเสียใจนะลูกมีพึ่งแม่สักคนเลย เรื่องนี้ก็ทล้ายกับคนสมัยนี้นะแม่พอ่อนะมีลูกนะก็หวังจะพึ่งลูกทั้งที่ตัวเองก็หาเงินไม่ได้เยอะนะก็อยากจะให้ลูกนี้นะได้ดไ ด, ด้ดีก็แบ่งสมบัติแบ่งมรอดอกให้ลูกปรากฏว่าลูกได้เงินไปแล้วนะไม่สนใจเลี้ยงแม่ไม่สนใจเลียเ้ยงพอ่อ จนกรทั่งทะเลาะบอกแวงก็มีนะแต่ว่ า, าโสนานะท่านนี้ท่านก็ไม่อยากทะเลาะกับลูกนะไม่รู้จะทำไงก็เลยมาบวชไม่ได้อยากบวชนะแต่ไม่มีที่ไปนะเห็นว่าเออบวชพระนี่ก็มีคนเลี้ยงนะบินทบาทเอามาบวชเมื่อแจกแต่ท่านก็ตั้งใจนะในนามมาบวชแล้วก็เอาใจใส่ ในเรื่องกิจวัตรแต่ว่าแกแล้วเนี่ยกิจวัตรก็มักจะบกพร่องเกิดไปทำวัดขาดบ้างการงานก็ขาดบ้าง mm hmm. ก็เลยถูกลงทันลงโทษนะให้ไปทำหน้าที่ต้มน้าอุ่นให้กับพิสุณีท่านอื่นพิสุณีส่วนใหญ่ก็ขาวลูกท่านนั้นนะแต่ว่ามันสามารถกว่าท่านโศนาก็ ก็ น, น้อมรับนะเป็นคนหน้าสงสารนะอยู่กับลูกก็อยู่ไม่ได้นะมาอยู่กับมาอยู่กับมาบวชอามาบวชสามะมาบวชเป็นพิสุนีก็ ก, ก็ต้องนะรับภาระนะลำบากเมื่อแก่นะก็ทำให้ต้มน้ำให้กับพิสุนีวันหนึ่งก็ผ่าคืนเสร็จก็ เห็นว่ามีเวลาว่างก็เลยเดินจงกรมเดินจงกรมแปลกนะเดินจงกรมรอบเสาเนี่ยเดินจงกรมรอบเสาแล้วก็พิจารณาด้วยพิจารณาและพิจารณาอาการสามสิสองอาการชายสองในเรว่อกายคตาสติก็คือพิจารณาว่าร่างกายประกอบไปด้วยผมขนเล็ดฟันหนังนะเกษาหนขาทันตาตาโจทันเกษาลมันาขาทันตาตาโจ แล้วก็อีก27ชิ้นนะรวมทั้งอุจจา ร, ระปัสสวะน้ําดีเยื่อมาสมองในกะโหลกศลีรษะก็พิจารณาไปพิจารณาเป็นพิาานะัาสนาไม่ใช่พิจารณาแบบสมถะพิจารณาเห็นว่าร่างกายนี่มันไม่มีตัวไม่มีตนเลยมันก็แค่สิ่งประกอบไปด้วยอ ว, วัยวะต่างๆเล็กน้อยทั้งที่เป็นดินที่เป็นน้ําที่เป็นลมที่เป็นไฟ พิจรารณาพิจารณาไปปรากว่าเกิดดวงตาเห็นทำบรรลุปเป็นพระอรหันต์เลยนะในครัวนี่แหละนะก็ปรากว่าไม่ใช่เพียงแต่บรรลุธรรมเป็นพระอรหัรนต์เฉยๆแต่ว่ามีฤทธิ์้ี่นะมีฤทธิ์สามารถทําให้น้ําเนี่ยสามารถทําให้ไฟนี้ลุกขึ้นมาได้โดยที่ไม่ต้องจิดนะอันนี้เรียกว่ามีฤทธิ์ ก็เป็นตัวอย่างนะว่าแม้กระทั่งการบรรลุธรรมนี่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในครัวไม่ใช่ว่าจะต้องมานั่งหลับตาเพียงแต่ว่ารู้จักใช้โอกาสนะในขณะที่ว่างนะก็เจริญกรรมฐานไปคนเราไม่ได้ทํางานตลอดเวลาหรือแม้แต่เวลาทํางานแล้วก็เจริญกรรมฐานไปได้ด้วยแต่ว่าอาจจะได้ไม่ดีนะครับขณะที่เราว่างจากงานก็เดินจมกวนไป ประวัติของท่านโสนนี่ได้คิดหลายอย่างได้ง่าคิดหลายอย่างนะไม่ใช่ได้ง่าคิดแต่เฉพาะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ว่าถ้าจะแบ่งสมบัตินี่ต้องระมัดระวังนะอันนี้ไม่ใช่อันนั้นมันไม่ใช่เป็นง่าคิดที่สําคัญแต่ก็น่าพิจารณานะเพราะว่าก็เคยมีมาแล้วนะนักนักอ่านสารคดีธรรมะก็เป็นคนที่เรียกว่ารักรูปมาก เยี่แบ่งสมบัติให้ลูกก่อนตายแบ่งให้ยกบ้านให้ลูกสาวยกที่ดินให้ลูกชาย แ, แล้วก็ก็มาอยู่กับบ้านของลูกสาวที่จริงก็ บ, บ้านเกิดนั่นแหละแต่มันกลายเป็นบ้านลูกสาวไปแล้วก็อยู่มาได้จบปกติจนถางมันนึงป่วยวันนึงป่วยก็ต้องใช้เงินเต็มมนเล็งเนี่ยนัใช้เงินมากต้องค่ายาค่ารักษาแพงก็ ขอเงินลูกก็เงินตัวนั่นแหละแต่ยกให้ลูกลูกสาวขอบ่อยๆนี่ลูกสาวบนะตอนหลังลูกสาวก็ไม่ให้ไม่ว่เอาไปใช้ยอะไรด้ยนะพ่อก็โกรธก็เป็นฝากเสียงกันพ่อในโกรธมากนะแคนเนี่ยว่าลูกของเรานะไอเงินก็ของเราบ้างของเราแต่ตอนนี้มัน เขาไม่ให้แล้วแทนมากรูกในละคุณก็เลยเอาปืนยิงลูกตายแต่แล้วพอรั่วเตีองทำความผิดคนธรรมะาทำโมฆาลูกตายนี่มันมันเจ็บปวดเหลือเกินนะทำไมชีส ต, ตกต่ขนาดนี้กลัวโทษกลัวโทษทันกลัวสังคมปัะหานก็เลยยิงตัวตายแต่ว่าเรื่องของกอดท่านโสนานี่ท่านท่านไม่ต่อล่าต่อเจียกับลูกนะก็หันมาพึ่งวะ แต่พึ่งไปพึ่งมาเพราะว่ากลับได้ดีนะเพราะว่าทาให้ท่านบรรลุธรรมถ้าไม่เจอเรื่องแบบนี้นะถ้าไม่เจอความทุกข์ยากในวัยชราเนี่ยก็คงไม่บรรลุธรรมนะลองนึกดูว่าถ้าเถิดว่าลูกเรียนดูแม่อย่างดีลูกก็แม่ก็คงไม่คิดจะหาหันหน้ามาพึ่งวัดแต่เพราะว่าลูกเนี่ยทั้งสิบสี่คน ไม่สนใจแม่รับเงินมากกว่ารักแม่แม่ทุกร้อนก็เลยเข้าวัาวาดปฏิบัติธรรมกลายเป็นของดีปดไปเลไปนะบางคนบอกว่าท่านโสนานี่สวยนะมีเงินมากมายแต่ว่าลูกไม่เอาใจใส่ทกคนต้องมาตกยากยามแก่ แต่รากฏว่ากลับได้ของดีนะเพราะว่าได้โอากาสมาเป็นรู้ธรรมเหมือนจำหนนะ้าคนจ็บคนป่วยเนี่ยอยา่าไปนึกว่าซวยนะเพราะบางทีความเจ็บวป่วยมันทำให้เราเนี่ยหันหน้าก็หาธรรมะเข้าหาวัดจนกระทั่งสามารถที่จ ะ, ะเห็นธรรมเราก็สามารถที่จะพบความสุขที่แท้ได้ไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นเคราะเป็นกรรมนี่มองให้ดีนะบางทีมีประโยชน์ ให้ความสบายต่งางๆที่อาจจะมีประโยชน์น้อยกว่าหรือเป็นโทษนะผ้าละอะไรท่านนี้ก็เพราะเจอเพราะกรรมนะก็ทําให้เข้าหาวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เลยบรรลุธรรมก็เรียกว่าโชคดีไปได้นะโชคมันกลายเป็นในเคราะหแล้วก็เรื่องท่านโสดแม่ก็ชี้เห็นว่านีโอ้แม่ก็ทังการทํางานแม้ก็ทังการาทํางานที่ต่าต้อยนะก็อาจจะเป็นเหตุหรือเป็นโอกาสให้บรรลุธรรมได้ ก็มีนะมีก็มีท่านนี้แหละนะที่บรรลุธรรมในครัวแต่บรรลุธรรมในที่อื่นก็มีนะอย่างที่พูดเมื่อวานบรรลุธรรมกลางถนนก็มีนะแตนะ่เพราะฉะนั้นในเรื่องการบรรลุธรรมนี่มันทําได้ทุกเวลาเพราะว่าปฏิบัติธรรมทำได้ทุกที่นะเราต้องฉวยโอกาสนะไม่ว่าอยู่ที่ไหนแม่ชีหรือว่าแม่ครัวนี่อยู่ในครัวก็ฉวยโอกาสนะอย่าไปเทีว่วโอ้เราโชคลาโชกไม่ดีนะ หรือว่าคนอื่นโชดีกับเราไอ้คนที่ปฏิกัสบาย ส, บ า, ยส บ, ายบางทีไม่ไม่ก้าวหน้านะไอ้คนที่เจอลาบากนี่อาจจะบรรลุธรรมได้เลยเพราะว่าเจอทุกข์ก็เห็นทุกข์ก็เลยรู้จักทุกข์แล้วก็หู้ดบนจับทุกข์ได้อ่้วก็เตรียมรับพร